พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระรตยปิฎกเล่มที่เจ็ดหมวดที่เจ็ดปัญจสติคันธกะหมวดว่าด้วยพระอรหันต์ห้าร้อยรูปในการทำสังคยาครั้งที่หนึ่งเล่าเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้านิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายเศร้าโศกแต่มีภิกษุผู้บวชเมื่อแก่รูปหนึ่งชื่อสุพัทธะกล่าวห้ามไม่ให้เศร้าโศกควรจะดีใจว่า ต่อไปจะได้ไม่มีใครคอยห้ามทำนั่นทำนี่อยากทำอะไรก็จะทำได้พระมหากัสสปะปรารบถ้อยคำนั้นจึงเสนอให้ทำสังคยนาคือร้อยกรองหรือจัดระเบียบพระธรรมวินัยและเลือกพระอรหันต์สี่ร้อยรูปรวมพระอานน์อีกหนึ่งรูปซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่สำเร็จอระยะเบื้องต้นแล้วแล้วเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ สวดประกาศไม่ให้สง์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสังคยนาอยู่ในกรุงราชเครือและใช้เวลาหนึ่งเดือนแรกในการปฏิสังขขนสิ่งประรลักหักพังรุ่งขึ้นจะมีการประชุมพระอานนท์ก็ได้บรรลุอรหัตตผลการสังคยนาครั้งที่หนึ่งพระมหากัสสปะสวดขอให้สงสมมุติ คือแต่งตั้งตัวท่านเองเป็นผู้ถามวินยัยพระอุบาลีเป็นผู้ตอบวินยัยเมื่อถามตอบเสร็จแล้วจึงขอสมมุติตัวท่านเองเป็นผู้ถามธรรมพระอานนท์เป็นผู้ตอบธรรมแล้วได้ถามตอบนิกายห้าหมายเหตุจากหนังสือหลักฐานสั้นๆนี้แสดงว่าคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นรวมทั้งพระสูตรและอภิธรรม ตามที่อัธกถาอธิบายว่าอภิธรรมนั้นรวมอยู่ในขุตตะนิกายอันเป็นนิกายที่ห้าฝ่ายที่ค้านไม่เชื่อว่าอภิธรรมมีมาในสมัยพระพุทธเจ้าแต่มาแต่งขึ้นภายหลังก็อ้างเหตุผลตอนนี้บอกว่าเป็นหลักฐานที่แสดงว่าไม่มีการสังคยนาอภิธรรมเลยเพราะนิกายห้าเป็นเรื่องของประสูตรล้วน การถอนสิกขาบทเล็กน้อยต่อจากนั้นพระอานน์ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงพระพุทธานุญาตที่ให้สงถ้าปรารถนาก็ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียได้ที่ประชุมตกลงกันไม่ได้ว่าแค่ไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อยพระมหากัสสปะจึงสวดเสนอยติให้สงงดถอนสิกขาบทเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้กล่าวได้ว่าสิกขาบทที่พระสมณะโคดมทรงบัญญัตินั้นอยู่ได้ตราบเท่าที่ยังมีศาสดาเท่านั้นจึงมีระยะการเหมือนควันไฟซึ่งจางหายไปง่ายในที่สุดเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านก็เป็นอันใช้อำนาจสงห้ามถอนสิกขาบทเล็กน้อยพระอานนุนถูกปรับอาบัต พระเทระทั้งหลายได้ปรับอาบัติทุกฎกฎแก่พระอา น, นุ์หลายข้อคือหนึ่งไม่ถามให้ทรงแสดงว่าสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรบ้าง 2. เมื่อเย็บผ้าอาบน้ำฝนถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เหยียบผ้านั้น 3. ตอนที่นำสตรีเข้าถวายบังคมพระศพคนเหล่านั้นร้องไห้ น้ำตาเปื้อนพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า 4. ไม่อารัธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชนอยู่ทั้งที่ทรงทํำนิมิตโอภาษให้ปรากฏ 5. ขวนขวายให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาพระอานน์มีข้อชี้แจงทุกข้อแต่ยอมแสดงอาบัติด้วยศรัทธาในพระเทระเหล่านั้น พระปุราณะไม่ขานแต่ถือตามที่ฟังมาเองพระปุราณะพร้อมด้วยภิกษุประมาณห้าร้อยรูปท่องเที่ยวไปในทักษินาคิรีคือภูเขาแถบภาคใต้ของอินเดียพอสมควรแล้วก็เดินทางไปพักณเวรุวนารามกรุงราชครึกเมื่อเข้าไปหาพระเทระได้รับบอกเล่า ว, ว่าพระเทระทั้งหลายได้สังคยนาพระธรรมวินัยแล้ว และแนะให้รับรองข้อที่สังขยาแล้วนั้นพระปุราณะตอบว่าธรรมและวินัยเป็นอันพระเทระทั้งหลายสังขยาดีแล้วแต่ข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าจาักทรงจำไว้อย่างนั้นสำหรับเรื่องนี้เป็นจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แสดงว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเริ่มมีบ้างแล้ว ลงโพระมณฑนพระชันนะพระอานน์จึงแจ้งให้สงทราบถึงพระพุทธดําราที่ให้ลงโพระมณฑนคือการลงโทษแบบผู้ใหญ่หรือผู้ดีกับราชันนะอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้ทําตามชอบใจภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนสงจึงมอบให้พระอานนุ์เป็นผู้จัดการลงโพระมณฑนโดยให้นําภิกษุไปด้วยเป็นอันมาก เดินทางไปกรุงโกสัมพีโดยทางเรือได้พบพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสในคาชี้แจงเรื่องการใช้ผ้าให้เป็นประโยชน์แม้เมื่อเก่าแล้วก็ยังเอามาทำผ้าเช็ดเท้าผ้าถูพื้นและนำมาขยำกับดินเหลวบกชานภายนอกกุฏิต่อจากนั้นพระอานนท์ก็เดินทางไปยังโคสิตารามลงโระมธันแก่พระชันะ ทำให้พระชันนะเสียใจถึงสลบและพยายามบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอรหัตตผลจึงมาขอให้ถอนพรมทันแต่พระอนนตอบว่าพรมมทันเป็นอันระงับไปแล้วตั้งแต่พระชั น, นะได้บรรลุอรหัตตผล